สิ่งเหล่านี้แหละเป็นควา ม, มกดข่มอย่างแรงอันทั่วรายนะคะเนี่ยจะเท่ากับว่าเป็นการต่อต้านการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธใช่หรือไม่คะนะคะแต่อีิชันเห็นว่าถ้าหากว่าความเห็นของอิชันก็เห็นว่า อ, อาจารย์พูดเนี่ยในขณะนี้เนี่ยคงจะพูดแบบในธรรมะขั้นสูงนะฮะถ้าอันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมะขั้นต้นก็ได้นะฮะท่นี้อิชันเข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นคําถามที่จะถามอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์กําลังจะบรรยายสิ่งที่พูดสอศาสนาเรียกว่า อพยักษกับกับทำอะไรหรือเปล่าคะนะคะใช่ไหมคะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ unchangeable คนะิดไม่ได้เป็นสภาพที่เหนือความคิดหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเจริญปิสิยานะใช่ไหมคะคือนะเป็นธรรมะชนะั้นสูงเน่นะคะท่านสามเป็นข้อข้อไปในข้อที่ 3, สข้อที่สามสภาพอพยักษกับประทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้พูดถูกหรือผิดหรืออะไรเนะี่ยนะไม่ไม่ค่อยคุ้นกับตอบพวกนี้นะะที่อาจารย์พูดอยู่อันหนึ่ง เป็นอะไรนะอะไรกันไมร่รู้นะฮะเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ฉันจะเข้าใจว่าแบบลืมตัวจะใช่ไหมคะ เ, เพราะอาจารย์พูดว่าให้พูดตลอดเวลาว่ารู้ตัวสดๆอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นการลืมตัวบ้างไม่ได้เหรอคะไม่รู้ตัวสดๆแล้เป็นการลืมตัวนะคะเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงบางอย่างไม่มีการแยกแยะหาค่าหาความหมายอันเป็นการสนองความอยากเนี่ยนะฮะในการปฏิบัติธรรม เราต้องการก็ค่ากามลืมตัวลืตวมตนไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่วรู้ตัวนะคะคือไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นะคือเป็นการลืมตัวฉันอยากจะพูดว่า เ, าเป็นการลืมตัวมากกว่านะคะไม่พู ด, ดนนรู้ตัวสดอันที่สี่ข้อที่สี่นะคะเพรรค์นั้นล้กมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่น ะ, ะอาจารย์พูดว่าทองคําถ้าไม่มีคนเข้าไปเนี่ยนะคะคือไม่มีคนรู้เนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ใช่ไหมคะพอคนรู้เข้ามันก็มีค่าเป็นอะไร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 เราผมคิดนะถ้าจะสรุปเลยเอาง่ายๆนะให้จํากันไปก็คือว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ไหมคะตอนนี้คะ่ะถามเหมือนตุนก้นเลยเนียเป็นชุดเลยถามข้อทินเ่งนะข้อชวนหมก็ได้ข้อที่หนึ่บอกว่าถ้าหากว่าจะเล่นกสบิดเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ว่าชั่วร้ายมากก็จะกดผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็การต่อต้านการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอะไรเนี่ยอาจารย์ตอบเรียกหรือโมหรือว่าอะไรเนะพราะอาจารย์ยกตัวอย่างความจริงอาจารย์ก็ไม่พูดนี่ตรงๆอาจารย์ไปพูดไปว่าเป็นเรื่องจากความอะไร2องคนอะไรเองโจรขี่อะไรอาจารย์ยกตัวอย่างให้แต่ฉันรู้ว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันคืออาจารย์กําลังจะบอกว่าการเจริญสติต่างๆเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทำมากอดเนี่ยอาจารย์ไม่พูดตรงๆอะไรเตยฟ้ามาอย่างนั้นนะชายฝ่าว่ามารูนะนี่คือข้อนี่ ข้อที่สองก็เป็นเรื่องของผมผมไม่ใช่โปรเตสแตนหรือนักคานนักต้านนะครับแต่ที่ผมถูกเชิญหรือถูกเลือกมาบรรยายนะครับผมก็พิจารณาว่าผมจะมีอะไรให้แต่ผมไปพูดในเง่ายจะเรียกธรรมธรม ร, ธรมดาหรือศีลธรรมดาเขาก็พูดกันอยู่แล้วครับ อยา ก, ก น, นั้นเลยเราเห็นคุณข้าวตรงไหนเราพูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่แยแสด้วยคาพูดที่ว่าการสะกดข่มอารมณ์นั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายผมผมไม่เคยพูดนะผมไม่จริงๆผมไม่เคยพูด ต, ต้องอ่านดีๆนะผมเพียงจะบอกว่าการสะกดข่มอารมณ์ที่ชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่ ง, ย, งยั่งยืนน ะ, ะสะกดข่มแรงขับอันชั่วร้ายนั้นผมใช้ประโยคนี้นะแรงขับอันชั่วร้ายซึ่งเป็น ศับทางจิวิทยาครับคนทุกคนเนี่ยถือกันว่าในแง่จุตยามีแรงขับเช่นการทำร้ายผู้อื่นเนเรากดขมไว้มันก็ไม่ทำร้ายแต่มันจะระเบิดวันหลังผมไม่ได้ด i สเครดิตการเจริญสมัะภาวนาด้วยผมเองปฏิบัติอยู่ด้วยถือในฐานะการพักใจแต่ไม่ใช่วิปัสนาผมต้องบอกนะผมต้องบอกว่าทุเรียนนั้นเปลือกก็มีนะไม่ใช่มีแต่เนือ <laughs> ดันั้นโทษผมไม่ได้นะที่ที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องอ่านดีๆนะครับเรื่องอภยากตะถ้าใช้สับแสงมากๆ ก, ก็ลาบากครับแต่ว่ามีข้อทจจริงหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้คนรุ่นหลังๆนะครับรุ่นใหม่ก็ตามใส่ใจในลุในรุกนติของพุทธศาสนาบ้างเราจะเอาเปรียบศาสนาจนกระทั่งไม่รู้เกณฑในศาสนาหาคาพูดมาเสนอเราเหมือนขนมหวาน มันไม่ได้ครับนิลุติเป็นศิษย์ที่อาจารย์รุ่นมบราณค้นคว้ากันมานานมากนะคเป็นยกตัวอย่างสับโลกโลกครับมาโนดมโนโอชาเขาแปลความรักหมายโอชาทางใจคศัพท์เหล่านี้มีความหมายมีสภาวะรองรับเราจะเอาเปรียบศาสนาครับเราศึกษาบ้างตามจำเป็นนะ แ, แม้กระนั้นถ้าไม่อยากศึกษาก็ได้ครับจะต้องเจอคนที่ สามารถพูดลิ้นชาวบ้านได้แต่ว่าศาสนาเป็นงานใหญ่เป็นสายทานของวัฒนธรรมและอารยธรรมนะครับดังนั้นการพูดที่อิงพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นในบางช่วงบางตอนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถือเคร่งครัดว่าไปแล้วเวลาผมบรรยายผมอัตโนมัติเอาไว้ใช่น้อยตามที่เพียงรู้สึกช่วยไม่ได้จริงๆครับถ้าผิดคือผิดแล้วก็ ค้ามสำคัญที่สุดคือผมเพียงเรียกร้องให้มีการี่สูจนผมไม่เคยเรียกร้องให้ใครเชื่อเลยนะครับผมบอกลองดูถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วอย่ามาโทษผมไม่ได้นะแต่มันดีมันก็ดีนะันนันหนึ่งจำไม่ได้หมดนรอกนิน่ล้ท <laughs> ี้นะครับอาจารยไปไป์อธิบายในเรื่องของอพยะแล้วนะคะคือสิ่งที่อยู่นอกเนี่ยจ็นเปธรรมะันสูงับส นี่ดีนะครับ พ, พักนี้ก่อนนะครับเพราะมีประเด็นที่ต้องพูดจ ะ, จะหาสาระประโยชน์ได้ประเด็นธรรมะนี่มันสูงหรือมันต่ำมันง่ายอยู่มันยากจริงทุกคนตอบแทนได้เลยครับธรรมะนี้นะครับถ้าว่ามันลึกก็เพราะว่าเราไม่เคยคิด ไม่เคยดูไม่เคยก็มุงบ่อน้ําที่บ้านเราลึกเราไม่เคยดูนั้นก็ไม่รู้ว่าลึกหรือตื้นครับแต่ครั้นพอเราเหลียวดูเท่านั้นครับสิ่งที่ลึกกลายเป็นตื้นนะจินตนการนึกสะแห่งหนึ่งนะครับสะลึกที่เดียวถามว่าสะลึกหรือว่าน้ํามันลึกที่จริงน้ําไม่ลึกไม่ตื้นครับสะต่างหาที่มันลึกนะ ตัวเรานี่มไม่ลึกไม่ตื้นนะครับแต่ว่าถ้าเร า, าเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยเลยหลักในภาษาในตัวอย่างผว่า<ช>ท่านเล่นเลยหลักไปแล้ว<ห>นะอะไรนะไเนี่นยใช่ครั บ, รบวิ่งไล่ทงตัวเองครับอย่างนี้เรื่องตื้นอนาจะกลาง เ, เรื่องลึกก็ได้นะเรื่องใกล้กันเรื่องไกลนะตอนเขาเข้าใจผมเนี่ยนะทางนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลครับ แต่มันมุกบนคือพอไปทางหน้าเดี๋ยวหน้ากลายเป็นหลังหลังกลายหน้านอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเริ่มมีจิตใจที่ซื่อนะครับคําว่าซื่อนี่คำว่าสำคัญนะครับ น, นันนบตั้งแต่ความศัตด์ซื่ออุชุ ป, ปฏิบัณฑ์โหนปฏิบัติตรงจงอย่ามากเรื่องอย่าตั้งเงื่อนไขกับพระพุทธศาสนาศาสนาตัวเองบูชานะเราพูดว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าคําสอนอท่านแต่เราตั้งเงื่อนไขตั้งเยอะเยอะไป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 ใหญ่ไปใหญ่มาไม่มีครับคิดไม่ได้ลงเล็กที่สุดเองสิคิดถึงลูกบอลนะครับเลก็กกว่าลูกบอลเปนลูกตะกร้อเล็กเป็นลูกเบเลียดเป็นปลายเข็มยังเล็กได้ถ้ายังนึกได้ยังต้องนึกต่อได้นึกจริงๆไม่มีครับเราหนึกได้เท่าใดเราอย่างรู้เท่าใดธรรมะก็ตื้นขึ้นเท่านั้นครับธรรมะก็กลายเป็นธรรมดาขึ้นเท่านั้น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 ปะชุมชนที่บรรยายยากที่สุดคือในขํากลางความหลากหลายมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งทั้งคนหนุ่มสาวทั้งพวกนักแอนที่พวกนักต้านสังคมพวกอะไรยากมากครับดังนั้นต้องเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นข้อจากัดของการบรรยายในรูปปาตกถาหรือใช้คําคพูดเป็นสื่อนะครับดันั้นประเด็นนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าโดยพื้นเพีมนุษย์ถูกยั่วยุจากอารมณ์จนกระทั่งลืดตัวที่ส่วนใหญ่ มันไม่ใช่คนบงคนเกิดมามีชาติกาเนิดดีพ่อแม่ดีอบรอมเป็นๆถ้าเป็นคนเรียลลิสติกตัวงานเขาไม่เพ้อฝันเขาก็มีสติดีลืมตัวน้อยลงนะครั้นได้ยินได้ฟังคําสั่งพระเจ้าเขาก็ต่อยอดได้เลยแต่โดยทั่วไปแล้วต้องขอใ ห, ให้มองว่าเราเองมักจะลืมตัวบ่อยนะกําลังผัดข้าวอยู่กําลังอาบน้ําอยู่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไรู้ไฟเปลวว่อนเลย ดังนั้นต้องรูปรวมความรู้ตัวซึ่งเสมือนการสะกด ต, ตัวเองซึ่งไม่ใช่เหรอการสะกด ต, ตัวเองนั้นเป็นผลที่ผิดพลาดเป็นการทําที่ผิดพลาดครับเป็นการต้านกระแสพลังของชีวิตภาในตัวแล้วจะเกิดแรงเสียดทานและขับแย้งมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็อุดปักจุกน่าอกขอยรู้ว่าปฏิบัติผิดครับเึมืการเจริญภาวนาดูตัวเองนั้นเป็นการทําแบบเล่นๆ อ, อ้าแล้วพอเจอเล่นๆแปลไม่ทําไปเลย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 วันสงวันแรกไม่มีผลนะครับเงินสามบาททำอะไรไม่ได้สมัยนี้ครับแต่ 30, 000, 000กี่ปี3 0มสผ่านไปจากการสะสมน้ำทิละหยดของความรู้ตัวทิละหยดคือหยดเมื่อปริมาณมันถึงระดับหนึ่งมันจะแปลน้าที่ามานันนะฮะอย่างน้ำแก้วเดียวนี่ก็ดับกระหายได้น้ำถังหนึ่งอาบได้เงินบาทหนึ่ ง, ซ, ออไไงซื้ออะไรได้ท็อีได้สักลูกเม็ดเดียวแต่เงินแสนเงินล้านซื้ออะไรได้ทีเดียวนะครับ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 คิดถึงอิ่มโดนไม่กินก็หิวอยู่นั่นเองครับคย okay, อาจารย์ใท้ภาษารู้ตัวแล้วให้ลืมตัวเนี่ยมันฟังยากผมอาจารย์ไงผมบอกแล้วฟั ง, ฟงยากเเอาเอาให้ง่ายสิครับเรียนตัวทั้งหลายคือรู้ตัวแล้วให้ลืมตัวให้หมายความว่าไอ้ลืมคํานี้หมายถึงว่าไม่ยึดมัน่นในที่ถูกรู้นั้นใช่ไหมฮะ <Yeah. S 2> คือไม่ยึดมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมัน่นไม่ต้องไปรู้ตัวอะไรแล้ว เริ่มไปเลยคือปล่อยนะก็ได้ครับยึดมันลอยวางไม่ยึดอะไรได้นั้นอันนี้เข้าใจแล้วเขบอกว่าให้ลืมมันไม่ใช่ให้รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวให้ลืมตัวมันไม่ใช่ฟังแล้วมันมันก็ลาไา้ผมมันไม่มีลาบากเขายังจะบอกเตือนนั้นเองไหมบอกขีดหัดรู้ตัวแล้วก็ไม่ไปยึดมันเหมือนก็ลืมลืมลืมพูดมาถูจริงว่าไม่ยึดมันในตัวนั้นแหะ นะครับส่วนที่ว่าพระเจ้าว่ามารนะจะไปหาผู้หญิงดีหรือจะหาตัวตัวตัวตัวเองดีมานอกแต่ปมคลามเขาชอบทีหาอัตตาพระเจ้าต้องต้องต้องยื่นเหยื่อไว้ก่อนนะฮะิ่มต้นเลยจะหาอัตตาดีจะหาผู้หญิงดีคลามชอบใจว่าต้องการหาหัดตาเพราะเป็นคลามจะหาตัวตนคลามทุกคนจะหาตัวตนก็ไปพยายามหาหาไปหามาลืมตัวแล้วไม่มีตัวแล้วเป็นพระหันครับตอนนี้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 เราหยุดแล้วเธอไม่หยู่ผมเชื่อคงไม่ได้หมา ย, ยาหยุดฆ่าก่อนนะครับแล้วคําคนอาจจะมายถึงอัปตาตัวตนก็ได้นะครับก็เป็นได้แล้วก็องคุริมานนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะแปลกใจในฐานะชาวพุทธซึ่งพุทธศาสนาเผยแพร่มาสู่ประเทศนี้นานนับพันปันปีนะครับต่อคําพูดง่ายๆที่ว่าทําไมองคุริมานจึงสมาทานการฆ่าคนง้อะไราปานนั้นถูกหลอกถึงขนาดนั้นเชียวนี้เคยคิดเล่นบ้างไหมครับว่า ถ้าคนโง่ปานนี้เป็นอนุรักษ์ได้อย่างไรแต่ถ้าเราคุค้นเคยศาสนาในอินเดียเนอะศาสนาแห่งโจอ น, นะครับหรือหรือเราได้ยินข่าวที่ญี่ปุ่นโอมชิลิเกยียวนะครับนั่นคือศาสนาปฏิวัติอ่าสัญลักษณ์ของเทพเจ้าผู้ทำลายล้างดังนั้นการประหารชีวิตการฆ่าสัตวชื่อส่งวิญญาณสู่สวรรค์ก็คิดก็มีระบบคิดเขาอย่างนี้ด้วยนะแต่นั่นไม่ใช่พุทธศาสนานะ หลายลทัทธิเชื่ออย่างนั้นนะครับตายเนี่ยดีแต่นัานไม่ใช่พุทธศาสนาแต่นี่จะฆ่าคนเราฆ่ากับฆ่ากิเลสที่ทาให้คนเป็นทุกข์่ยพุทธศาสนาเน้นมาที่ตรงนี้ครับดังนั้นสิ่งสาคัญผมผมอยากจะเรียกร้องให้ อ, อย่าสนใจต่อลรายละเอียดมากนะครับถ้าเราแตกสู่รายละเอียดมากเราจะหลงโคหลงกลายเหมือนตอน้นไม้จะแตกตอนในสุดเราจะหลงโขนที่มาขึ้นมา ประมวลลงมาที่คำสอนที่เน้นนะที่พระเจ้าสอนเรื่องสีประทานนะครับสีประทาน4ี่ที่ท่านยืนยันว่า7วันเจปีจเดือนเจวันยันต้งเช้าเย็นเลยนะครับสี่ประทาน4ี่นั้นเป็นแกนกลางที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกแต่ละรัะทธิแต่ลนกายในเครือพุทธศาสนาได้ประยุกต์ใช้ออกสู่เทคนิคตา่าง ผมจะไม่บริยายขยายความมากกว่านี้นะครับมีคําถามคำถามได้อีกครับคงตอบยังไมหมดแต่ว่าพอทีนะนรับจะตอะบตอบอใช่ไหมะคะอาจารย์คแะบบตะวันนลกมีข้าเป็นศูนย์หรือไม่นะคะหรือว่ามีแบบไม่มีแบบมม่วอะไรเงี้ยนะคะคือว่าถ้ามีคนรับรู้ก็ถึงจะมีค่ถาถ้าไม่รับรู้ก็ไม่มีค่าอะไรฝากโคเดือนหน้าดีไหมครับเพมันยาวนะ ไปจะตอบสั้นๆได้ครับว่านี่หลายคนที่กังขาในะเรื่องสวรรค์ ล, ลกไม่ใช่เพียงความหมายว่าบนดินหรือใต้ดินหรือบนฟ้านะครับหมายความสภาวะที่เป็นสุขสุดยอดสมอุดมการนะั้นมีจริงไหมความหมายไม่ได้อยู่ที่หวานวิมานที่เป็นตัวปราศาสอะไรนะฮะแหมายว่าความสุขสมบูรณ์สุดยอดนั้นมันเป็นคําตอบหรือเปล่าเงินคือสวรรค์บางทีเรียกสุกติ ปกติก็ตรงข้ามนั่นเองนะครับถ้าเราเยืงคําอธิบายแค่นี้เราตอบด้วยตัวเราเองได้ครับในอดีตผมยกตัวอย่างตัวเองประกอบไม่ใช่เอาตัวเองมหลังนะแต่ว่ามันเอาประสบการณ์เข้ า, ามายันมาบางครั้งผมเหมือนอยู่ในวิมานแต่วิมานนึงแปลว่ามีมานะอย่างยิ่งนะครับดังนั้น เทพระเจ้าผู้อยู่ในวิมานแล้วแต่มีเอเยาอัีมานะแรงเขาจเง็นสุขมากๆสุขในตัวเองด้วยควา ม, มยึดถือเพผู้จุตติแล้วผู้ทำบุญนุ่มงมากนยครับก็จะเกิดวิมานบุญขึ้นรองรับเขาจุติจากฐานะจิตดวงหนึ่งเขาไปสู่มณเทียนของวิมานบุญในทางกลับกันก็เป็นนรกถ้าเรามองตัวสภาวะธรรมจิตใจผมว่านี่มีประโยชน์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 ราสวรรค์บนฟานดูลึกๆครับเคร่งบินบินเหนือเม่หตัวนี้นะแต่จะเชื่อก็ได้ครับเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นแรงจูงใจทางจริยธรรมนั้นคนที่เชื่อดีกว่าคนไม่เชื่อเ okay. ชื่อสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วก็จากความเชื่อเป็นพลังทำให้ไม่กล้าทำทำบาปแล้วก็ทำกุศลใช้ได้ครับผมอยากจะโยงถึงเรื่องอธิปไตยนะซึ่งเพื่อเพื่อ ทวงติงข้อเข้าใจผิดเล็กน้อยในหมู่ชาวพุทธเรามักจะยินว่าธรรมาธิปไตยใช้ได้อัตตาทิปไตยโลกาตจใช้ไม่ได้นี่ผิดไปครับผู้เจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยผู้เจ้าตรัสถึงอธิปไตยสามไว้นะครับในฐานะที่ใช้ได้ทั้งสามครับท่านอภิบาลอย่างนี้ครับว่าคนบางคนนั้นตื่นขึ้นกลางดึกนะครับแล้วคิดถึงตัวเองว่าตัวเองยังทุกข์ยากอยู่ปลาลกตนขึ้นมาเป็นหลักแล้วภาวนา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 เหตุผลในตัวมันเองเรียกปลล็อบทัมธรรมาพิจไรยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจแรงผลักแรงจึงจะผู้อื่นเลยใช้ได้ครับใช้ได้ทั้งสามเลยครับแต่เมื่อเราเข้าใจติดไปแล้วเราก็ตัดสองประเด็นซึ่งเป็นหลักสําคัญเนอะปลาล็อบตนขึ้นมาตอนอยังทุกอยู่นึกถึงตัวเองว่าโรคภัยไข้เจ็บระเบียดเดียนอายุแก่เท่าเราต้องทํากิจที่สําคัญก่อนปราล็อบชิ้นนะ้ปราล็บถึงตนที่นี้นแล้วก็ภาวนาถ้าได้ดีครับ แต่ถ้าเปรียบกันแล้วเนี่ยธรรมมาทิพยตายบริสุทธิ์กว่าคือมันไม่ติดยึดอัปตาว่าอัตตาของโลกและอัปต์ตาตัวเองเแต่เราต้องเข้าใจใที่ทวนนัวอัธิพยตยสามใช้ได้แต่เราเข้าใจมันดีเราก็ใช้มันเหมาะสมใช่ไหมครับบางครั้งต้องใช้อัปต์ตาทิพย์ตายปลารมตัวเองบ้างว่าทุกยากอย่างไรถุกทอดทิ้งอย่างไรก็คือไม่รู้ธรรมานี่คนที่เราอิงแอบอยู่ตายไปเราจะอยู่ยังไง นี่คืออัตราที่ามาตัครับมีไหมครับมีคำถามมีคำถามสุดท้ายถ้าหากท่านจะสรุปอย่างนี้ถ้าหากไม่ตรงกับความคิดอาจารย์อาจาจก็ช่วยสรุปให้ด้วยนะคะในขณะที่ความคิดก็คือเอในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่คิดนะคะถ้าจะสรุปว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่หรือไม่ถ้าไมใช่นะคะอาจารย์จะสรุป ผมจะไม่ตอบว่ใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวผู้ิก็คือรูปแบบหนึ่งของความคิดเหมือนกฤชนาโมติชอบพูดเรื่องนี้มากนะครับในเรื่องของการแยกระหว่างผู้ิกับผ้ที่เราครับ ต, ต้องให้โอกาสผมพูดบ้างเรามาักจะได้ยินตัวอย่างจากคาสอนครูระดับนำของโลกเช <c oughs> ่นกฤชนมติคดี <c oughs> หรือผู้สอนสายนั้นคดีนะครับให้พี่าดอกไม้ แล้วก็ภูมิหลังนะครับว่าเราดูดอกไม้ถ้าเราคิดแทรกเข้าไปนันมีผู้คิดแต่การศึกษาในกรณีอย่างนี้ไม่ค่อยมีผลครับการดูความคิดผู้คิดกับผู้ดูเนี่ยก็ใ น, นเดียวกันครับพอเห็นมามันจะดับทั้งคู่ผมอธิบายตามความสึ่อผมนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องในตรรราเนี่ยพอความคิด ป, ปรากฏขึ้นในขณะนั้นการเห็นปรากฏขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับ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 ผู้คิดผู้เค็มผู้เปรี้ยวผู้หวานเป็นวิญญาณครับนี่โดยหลักดังนั้นเองเราจะจับมันไม่ทันนะครับดันั้นจะมีความคุมเครืออยู่ตลอดในการสอนแยกแยะในเชิงจิตวิทยาและโดยข้อเท็จจริงใง่าง่จิตวิทยาในนี้ก็ไม่มีใครยืนยันเลยว่าการที่ซิกมันฟลอยพูดเรื่องจิตใต้สำนึกจิตมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับในพูทศาสนานั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับจิตใต้สำนึกจิตกึ่งทำนึกจิ ต, นจตเนื้อสำึก แจกแจงกนมาเพื่อบำบัดช่วงคั่งช่วง่วงคู่ช่วงยาวนะครับเราประการสั้นที่สุดของนักจิตวิทยาก็คือที่ประมวลสรุปว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดถูกคอนโทรลภายใต้เซ็กซ์นี่ไม่จริงในพุทธศาสนะนาพระนารคามีอยู่ในอำนาจ น, นั้นได้นะครับแต่ได้การข้อสรุปซึ่งนักวิชาการนี้เชื่อกันทั่วและพานอามาจับตัวพุทธศาสนาด้วยนะผมขอเตือนให้ระวังมากๆนะครับในจิตวิทยาหรือ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 ตีกันยุ่งกัหมดคนหนึ่งก็พูดยันคนหนึ่งคนนึงก็พูดพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับส่วนการสัตรุร้นั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ไม่ใช่พระเจ้านั่งคิดเป็นกรณีนะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดดนดานขึ้นมาในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเล่มเนื้อละลิสวิสตระเล่มหนึ่งที่บอกว่าความรู้แจ้งทั้งหมดของพระเจ้าเกิดขึ้นชั่วขณะทีเดียวในขณะทีเดียวแวบเดียวเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นข่าวสารที่ พิสดารนะครับเป็นข่าวสารที่ก่อเกิดทั้งกําลังใจให้เราขนขวายไม่ว่าฐานะเราจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับหรือปฏิบัญญาเรามากหรือน้อยถ้าถึงเวลาที่รู้แจง้งเปิดเผยขึ้นมาเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกไม่ใช่เราอยู่โหลท้ายแถวทาบุญ น, น้อยเป็นกี่ร้อยชาติก็เข้าสู่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาถ้าถ้ายังคางแรงเหลือยกยอดไปเดียนหน้านะครับ งั <laughs> น้นก็ขอคุติเท่านี้นะครับ